ธรรมาชาดกแผ่นที่8ลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่14่กุมภาพันธ์ 2,556 มีชื่อเรื่องว่ารบชนะเพราะพระคุยกันวันนี้เป็นวันที่ส4 ขุมพาพันพุทธศกราช2556เมื่อวานเนี่ยตอนบ่ายโมงเขานิมวลไปแสดงธรรมที่โรงเรียนราชินูทิต์โรงเรียนประจำจังหวัดอุดรธานีแต่เป็นโรงเรียนผู้หญิงถามหลวงพ่อถามว่านักเรียนมีมากเท่าไหร่นักเรียนทั้งหมด 3,800 กว่าคนโอ้ แต่คัดมาเข้ามาฟังเทศวันนี้ห้องละห้องละยี่สิบตั้งแต่ม .1 หนึ่งถึงมหคัดมามาไหว้พระแล้วก็มาฟังเทศถวายผ้าป่าเมื่อวานนี้รู้สึกว่าโอ้ไปเห็นแล้วก็เห็นลูกหลานแล้วก็ดีไหว้พระ ฟฝึกซ้อมมาดีกราบพร้อมกันสวยงามจากนั้นก็ไหว้พระก็พูดเสียงดังฟังชัดพร้อมกันแล้วก็อาราธนาศีลพร้อมกันแล้วก็อาราธนาเทศพร้อมกันถวายทานพร้อมกันเออลูกหลานเนีเ่เป็นการฝึกซ้อมได้ดีคูศีลธรรมจริยธรรม เนี่ยเป็นผู้นำที่ดีแต่ก็ก็มาวัดหลวงพ่อเป็นประจำเ่นะอาจารย์สอนจริยธรรมหลวงพ่อเออดีลูกหลานเขาถวายทุกปีบางปีเขาก็ถวายหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นภูริทัตโต่บางปีเขาก็ถวายตึกนีไฟ บางปีเขาก็ถาวายเจดีหลวงตาแต่ปีนี้เขาก็ถามมาหลวงพ่อมีอะไรที่จะออให้ช่วยือมีอะไรที่หลวงพ่อยังคิดว่าจะมีประโยชน์ถึงเครื่องมือแพทย์หรืออะไรลักษณะอย่างนี้หลวงพ่อเออปีนี้หลวงพ่อสร้างศาลาใหญ่ลูกหลานนะครับถ้ามาช่วยศาลาหลวงพ่อก็จะดีเหมือนกันนะ พอหลวงพ่อสร้างศาลาอยู่ข้างนอกพอาาระาลาอยู่ข้างในนี่ก็เวลามีงานมีการมามีโรงทานล้อมรอบศาลาเนี่ยพอตกตอนเย็นมาเนี่ยทาก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาแล้วก็ขั่วพริกแห้งขึ้นมาเนี่ยเออมันพระขึ้นมาศาลาเนี่ยก็ถูกกลิ่นพริกเท่านั้นแหละจามฟัดจามเฟียดเนี่ยพริกเข้าจมูกอ่ะ ถ้าออกไปข้างนอกได้ก็ดีมันกันหนะ้าลูกหลานสล า, าต่อไปลงทงลงทานออกไปข้างนอกซะาลาเนี่ยจเป็นสล า, าปฏิบัติธรรมถ้านั่นก่อนเนี่ยหลวงพ่อกําลังจะคิดสร้างสล า, าอยู่ข้างนอกเพราะมีปัญหาหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ เ, เขาเอาแต่งันก็ถวายสร้างสล า, ากับหลวงพ่อเออเอา น, นี่ก็เมื่อวานเขาก็รวบรวมกันโอ้ได้เยอะอยู่นะลูกหลานทั้งกําลังครูบาอาจารย์ทั้งกําลังลูกศิษย์เด็กนักเรียนฟังฟั ง, ฟงอาจารย์เขาบอกเอานักเรียนผู้ใดก็ได้จะมาร่วมทมําบุญเอาเดือนละสมบาทแต่ละเดือนเก็บไว้เอาเข้าธนาคารเขาก็มีอุตสาหะวิริยะนะทําบุญคนละสามบาทต่อเดือน พอถึงปีมาเอารวมกันทอดผ้าป่าเมื่อวานได้ได้ห้าหมื่นกว่าบาทรวบรวมกันแล้วก็ครูบาอาจารย์อีกรวบรวมกันแล้วกับพี่น้องประชาชนก็ามาอีกแล้วก็ต่อยอดอีกรวมกันเมื่อวานได้ปัจจัยแสนห้าหมื่นกว่าบาทโอ้อุ่นหน้าฟ้าข้างไว้ลูกหลานให้ได้บุญในลายเนื้อลูกหลานเนะ้อ ไปอยู่ในสะถานที่ใดลมเย็นเป็นสุขเหมือนกับซ า, าลาหลวงพ่อนะ่ะปุกคุมแดดฝนหนาวร้อนให้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกับซาลาควบคุมพวกเรานะเข้ามาอยู่ในใต้ถุนซาลาราล่มเย็นเป็นสุขทวนหนากันในหะลูกลานเนื้อสร้างขึ้นมาแล้วไม่ใช่ของหลวงพ่อนะซ า, าลาเป็นของพวกเราทุกคน ต่อไปภายภาคหน้าลูกหลานได้ไปปฏิบัติธรรมก็ไปนั่งพักผาอาศัยสาธารณะดีละลูกหลานเดือนได้สามบาทไม่เดือนร้อนไปทำอย่างอื่นมากกว่านั้นอันนี้มาทำให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณประโยชน์ต่อวัดว า, าศาสนาเป็นของพวกเราทุกคนลูกหลานลูกพก่อกันนะ จากนั้นก็แสดงธรรมแล้วก็ให้ศีลให้พรเขาจากนั้นก็ไปบ้านตากตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงเกือบทุ่มไปไปชมกันเรื่องสถานีวิทยุทั้งโทรทัศน์แสดงความคิดเห็นถ้าหลวงพ่อไปไปชมนักสถานที่ใดหลวงพ่อไปนั่งหัวโต๊ะหลวงพ่อจะให้พูดกันเป็นคนๆไปละพอองค์ไหนพอที่จะพูดได้ แสดงความคิดเห็นได้หลวงพ่อจะให้แสดงความคิดเห็นบางคนอาจจะเป็นขมขมในฝักนะมีความคิดที่ดีแต่เราไม่เคยให้เขาพูดเราก็เอาพูดพูดดูสิมีความเห็นว่ายังไงแต่บางคนก็มาเลเหลืองเหมือนกันนะออกนอกลู่นอกทางเตลดิดเปิดเปิงต้องอ้าวหยุดหยุดหยุออกนอกประเด็นนะหยุดไว้ก่อนแปลว่ามันซ้ำซากละ พูดไปวนมา ว, วนมาวนไปไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ว่าวัวพันหลักหยุดสะกก่อนหลวงพ่อจะต้องสั่งให้หยุดเอาองค์อื่นพูดต่อไปแต่พูดเอามีเหตุผลก็ให้พูดยาวแสดงเหตุผลขึ้นมานี่แหละคือสรุปแล้วก็คือเหตุและผลไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดใครที่มีเหตุผล ว่าควรจะเดินยังไงควรจะทำยังไงพอฟังเข้าไปแล้วมันก็เป็นไปได้อย่างที่หลวงพ่อไปอยู่วัดหลวงปู่จามไปงานศพมี่ท่านรองผู้บัญชาการกับพวกคณะมาหลายคนตำรวจจังมาจากขอนแกน่นเขามาหาที่จะสร้างอะไรอุษสาวรลีอำเภอคำเชียอีมี พยาอะไรสมัยก่อนนั่อะคนที่มาอยู่ในถิ่นนั้นโยมผู้หนึ่งเป็นตำรวจหลวงพ่อจำไม่ได้ท่านเคยมาวัดเราเนี่ยใส่ชุดธรรมดามาก็มานั่งห่างๆอ่อโผลนี้ยเขาก็เลยมาพูดกันพวกมาใกล้ๆโอ้ยน้ำท่วมกรุงเทพหลวงพ่อท่วมจริงๆมันจะท่วมถึง สนามบินดอนเมืองเกือบท่วมเดนะ็กําลังจะเข้ามาอยู่ในแนวท่วมแน่ๆดูแล้วไม่รู้จะทํำยังไงรัฐบาลก็ไม่รู้จะทํำยังไงหลวงพอ่อโอ้ตามไม่จริงหลวงพ่อก็ได้ยินเหมือนกันนะอยู่ข้างนอกเนี่ยนะตามไม่จริงเนะี่ยในหลวงเนะี่ยท่านเกิดมาพร้อมแผ่นดินไทยท่านรู้จักมดทุกกระเบียดนิ้วของเมืองไทย น้ำจะไหลไปที่ไหนถ้าเด็ดไปที่ไหนลูกน้องบริวารลูกมือของในหลวงของเรานะี่ะท่านรู้หมดทําไมไม่ไปยกมือไหว้ท่านแล้วก็ขอให้ท่านมาช่วยให้รู้จักวิธีการระบายน้ําไปยังไงทํำยังไงทําไมยังไปหามีทิฐิมานะอย่างนี้หลวงพ่อว่ามันจะท่วมมากกว่านี้นะถ้าหากไม่รู้จักวิธีแก้ไข วิธีแก้ไขหาท่านผู้รู้ออปล่อยที่ไหนทำยังไงท่านรู้อยู่แล้ววิธีการทำดเด้ไปหาท่านดออีแต่ถ้าเราไม่ไปหาท่านถ้าท่านเข้ามามนก็ดูดูมันก็ก้าวกายมันก็ไม่ถูกพวกเราน่าจะไปหาท่านคนบริวารของท่านมออีไปขอกลุ่มของท่านเขาก็โทรโทรศัพท์จากที่โรงน้าร้อนหลวงพอ่อลงไปกรุงเทพเลยนะ บอกว่าเนี่ยผมได้มาพบกับพระป่าท่านแนะนำอย่างนี้ น, น, นี่นะนจากนั้นมา ก, ก็ไปขออย่างว่าจริงจริพอท่านไปเจอที่บ้านห้วยสายบอกโอ้ท่านเนี่ยน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยเป็นเพราะบารมีของท่านนช่วยวนะทำไมล่ะ ว, วะอา้าวผมไปนั่งคุยกับท่านวันนั้นอนะ่ะผมโทรลงไปกรุงเทพเลยพอ โทไปกรุงเทพไปหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เลยจัดการอย่างที่ท่านว่าเนเออไปกราบคนของในหลวงสองอาทิตย์ท่านนั้นน้ำลดอวบเลยเอน <c oughs> อน้ำลดอวบเลยถ้าว่าท่านไม่ได้บอกนะไม่รู้จะท่วมนานจากเท่าไหร่ก็ไม่รู้เราก็เออนี่แหละเราก็เลยพูดต่อเลยท่านความรู้ความ รอบครอบเนี่ยเราต้องฟังหลายๆคนไคนหลายด้านไม่ใช่ว่าดันทุลังว่าค่าถูกอย่างเดียวมันไม่ใช่นะบางอย่างมันเส้นผมบางภูเขานะตัวเองมองไม่เห็นแต่คนอื่นมองเห็นแต่คนที่มองเห็นน่ยเราก็ต้องอาศัยเขา เ, เขาพูดให้ฟังกับมีเหตุผลเออใช่อันนี้มีเหตุผลมีเหตุผลไม่มีเหตุผลเราก็รู้ทำไมเราจะไม่รู้ ถ้ามีเหตุผลไงเราก็ต้องปฏิบัติตามวาความรู้ความฉลาดความสามารถอันนี้มันไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้อยู่กับเด็กไม่ได้อยู่กับคนเท่าคนแก่อยู่กับทุกคนบางครั้งก็มองเห็นได้ในการที่จะแก้ไขสถานการณ์นั้นๆบางครั้งมันก็มือตื่เหมือนกันมันคิดไม่ออกแต่บางครั้งน่งเราก็เถอะ เวลาจะคิดเรื่องอะไรที่มันหนักหนาสาหัสเนี่ยเราต้องทำใจให้างว่างเดินจะกลมเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาทำใจให้นิ่งทำใจให้สบายทำใจให้ว่างว่างพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่อย่างเดียวยจากนั้นยังคอยนําความว่างด้วยแนวความคิดน่นมาคิดเอ๊ะมันเรื่อง ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจะแก้ไขอย่างไรที่มันเป็นอย่างนี้ที่มันมาเป็นมาอย่างนี้เออมันมาเรื่องราวมันไปอย่างนี้จะไปหาใครจะพูดคุยกับใครเป็นคนแรกหรือจะปรึกษาใครมันจะมีทางออกได้เพราะอะไรเพราะเราทำใจให้ว่าทางว่าเรามีแต่ปุ่งๆคิดๆคิดๆคิดๆคิดๆเพอๆมันจะเป็นบ้าเป็นประสาได้ง่ายๆเหมือนกันนะอย่างพระในครั้งพุทธกาล วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารวัดกว้างมีพระเข้ามาบวชทุกระดับมีทั้งพ่อค้าประชาชนมีทั้งนายตำรวจทหารมีทั้งข้าราชการบนานาญมีความคิดมากหลากหลายเข้ามาบวชมาภาวนาแต่มีสองหลวงตาหนึ่งสองขัวตาี่บวชอายุมากแล้วไปอยู่ทางหลัง วัดป่าเชตวันกนะุติใกล้ๆ ก, กันแค่ว่าเป็นเพื่อนสนิทกันเป็นข้าราชการบำนานเหมือนกันนะออกมาบวชภาวนาทนะีนี้บ้านเมืองก็เนี่ยพญาปเสนที่โกศลกับพญากรุงราชาคือเนี่ยกรุงสาวัตถีกับกรุงราชาคือเนี่ยเกี่ยวดองกันคือน้อง สาวของพญาปศเสนเนี่ยไปแต่งงานกับพระเจ้ากรุงราชคฤห์ก็ได้ลูกขึ้นมาคือพระเจ้าพิมพิสารต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ลูกออกมาคือพระเจ้ า, าซารตระโตแต่นี่ยพอพระเจ้ า, าซารตระโตเนี่ยพอเป็นหนุ่มขึ้นมาเนี่ยคิดแย่งชิงราชสมบัติของบิดาก็เลยลงสำเร็จโทษใกคว่าขังพ่อ ขังพระเจ้าพิมพิสารอย่างที่พวกเราได้ยินนะ่ะต่อมาพระเจ้าพิมพิสารตายไปแล้สวรรคคตยังเหลือต่แม่ที่เป็นน้องสาวของพระเจ้าประสเสนพระเจ้าประเสนเนี่ยจเป็นลุงเลยโมโหให้หลานไม่ไ ด, ด้ต้องยึดราชสมบัติมันมันทำไมวะได้ข้าพ่อได้ยังไงสำเร็จ พ, พ่อได้ยังไงฮะพระยาประสเสน ก, ก็โมโห จะนั่งกัยกทับไปเลยไม่ไม่ใช่โมโหธรรมดานะี่ยยกทับไปเพราะจะไปยึดเขาพอไปยึดพระเจ้าซาส ต, ตัวเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์หนุ่มเลยกําลังหนุ่มแน่น เ, เอจัดทับพลได้ดีมากเลยทหารของพญาประสิทิ์นี่กระจุยเลยเลยยกไปครั้งที่สองก็กระจุยอกีกอทหารเสียหายมากที่พญาประสิทธิ์เอ๊ จะเอาอยัางไงวะมดปัญญาที่จะสู้เข้าไปที่ไรก็สู้หลานไม่ได้ก็เลยออกอุบายเดี๋ยวไปไทยท่าตำรวจทหารสันติบาลออกไปสืบข่าวดูสิว่าใครมีความคิดเห็นว่ายังไงจะสู้รบกับพยาอศาซาสตูนไอนี่เนี่ก็ปล่อยสันติบาลออกไปสันติบาลก็ออกไปคนละทิศละทาง เนี่ยใครเข้าเป็นจาระบุรุษเขาเหล็กสมัยนะั้นเรียกว่าจาระบุรุษเนะี่ยคือว่าสันติบาลเนี่ยได้ออกไปสันติบาลเนี่ยก็เข้าไปในหมู่พระสงฆ์ให้พระสงฆ์งทั้งหลายนะี่ยท่านคงจะพูดคุยสนทนากันมัน้งว่าการลบศึกสงครามเนี่ยจะทำยังไงท่านคงจะพูดกันอยู่มั้งบางท่านบางองค์แต่นั้นก็แฝงอยู่ตามวัดป่าเชตวันกลางาค่ากลางคืนมันปล่อยออกไป วันนี้มีขัวาตาอย่างที่ว่าเขาขัวาตาบำนาญสององค์ไปบวชแล้วก็ไปอยู่ทางอยู่ทางหลังวัดกุฏิใกล้ๆกันคงจะนอนไม่หลับมากองค์หนึ่งองค์หนึ่งก็เลยพวัวหัวออกมาจากหน้าต่างเฮ้ยขัวาตานอนหลับยัง่งโอ้ตื่นแล้วตื่นแล้วมีอะไรโอ้พญาปเสนโที่โถโซนึนงกินข้าว เอออิ่มแล้วก็ตาปือแล้วก็ไม่มีความคิดความอ่านอะไรเลยไปสู้กับเด็กก็ไม่ได้แหมลงขัวตานี่ยว่าทางขัวตาเนี่งเบอกอา้าวจะสู้ได้อย่างไรวิธีการจะทำยังไงโอ้จะไปยากอะไรเนี่ยเห็นไหมในกรุงราชเกินมันเป็นภูเขาสองลูกลนะแอมมันก็มีทางเข้าทางเดียวเอาทหาร ไปซุ่มอยู่ทั้งสองข้างนะเออและก็กลุ่มหนึ่งเขาก็ไปเตีเตีล่อเขาไปเตีเตลออ่ล อ, อกก็ถอยตีตีถอยตีถอยพระเจ้าซาสตูไล่ถล่มเข้ามาแต่ได้กับพยายามวิ่งหนีให้ไกลทาหารที่เราไปซุ่มอยู่ในหัวภูเขาลงมาปิดภูเขาเียเอ่อตีกระนาเลยบัดเนี่โอ้ยมันจะไปไหนหรอขวัน ขัวตาขัวตาออกหัววหกันนะเนแต่ตามไม่จริงบาปไหมก็คงจะมีเหมือนกันนะมันพูดแต่ว่าท่านก็ไม่ได้เจตนาให้เขาไปฆ่ากันใช่ไหมละ่ะมิถึงพูดแนวพูดคุยกันสองสองขัวตาเฉยๆทีนี้จาระบุษสันติบาลกับฟังอยู่ข้างๆเข้าท่าว่าวะพอเสร็จแล้วก็เนี่ย มันกระจับได้ง่ายจะไปสาอะไรนะเด็กยังไม่สิ้นกินน้ำนมมันเป็นเด็กหนุ่ ม, มกำลังใจร้อนนะ่ะเราลอกเขามามัน่อตีเขามาตีเขามามก็ลงสกัดตรงนั้นเลยอนยะ่างนันแต่เรียบจาระบุลุษพคนนั้นก็นมาบอกพระเจ้าเประเซนบอกว่านี่เนี่ยผมไปฟังพระแก่สององค์พูดกันนะนี่ที่หลังวัดป่าเชดตะวัน อพูดกันตอนดึกกลางคืนผมได้ยินอย่างนี้นี่พญาประสิทธิ์เออใชนะ่ประชุมเสนาอํามบาดขึ้นมาอะไรกัไหนนะประชุมเสนาอัมบาดเป็นความลับขึ้นมากันนะั่นอ่ะเอาทหารหารเข้าไปไปซุ่มไว้ทั้งสองข้างอย่างที่ว่าที่หัวภูเขาเ อ, อพอในโซ่กันเนะปล่อยทหารกลุ่มหนึ่งเขาไปตีอีกพระเจ้าราสุทําทไมมันมาตีมันยังไม่เข็ดอยู่แลยเนะี่ยเออ ทางช้างทางม้าเนี่ยตะลุยเลยทะนี่แบบเด็ดขาดออกไปเลยพอตีท่นนี่ก็วิ่งหนีเัยแกอย่างที่ว่าเนี่ยโปนั้นลงไปสกัดเออเหมือนกับพอจกักรการทางนี้ก็ทางหน้ากัตีกันหนาเพอาไปอีกพยายามอาซาศัตรูถอยหลังก็ไปด้่านั้นเขาปิดหลังแล้วโอ้จับได้เหมือนกับเหมือนกับแมวเลยมดลิศว่างนนั้นอ่ะจับได้ ผลในสุดพะยาเปรเสินที่เป็นลุงเนี่ยกันนะอย่าดื้อ น, นะต่อไปนี้นะอย่าเคึกนะว่าตัวเองเก่งนะเจ้าเออเอาอยัางไงก็เนี่ยโอ้ยเอาอยัางไงก็ยอมหมดแล้วเออพระเจ้าลุงเอายอมมดอย่าทําอีกนะครับผมจะไม่ทําอีกอผลในสุดพระเจ้าลุงก็เลยเออพระราชทานลูกสาวให้เป็นลูกเขย อ, อีกมาเอ่อต่อมาก็เลย อยู่ด้วยกันเลกเป็นพ่อตาบ่เนี้นี่แหละอันนี้ก็คือความรู้ในจุดนี้นะไม่ได้อยู่กับใครแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ บ, บอกว่าบำนาญสองคนเนี่ยข้าราชการบนานาญสองค น, นแต่ชาติปางก่อน เ, น, เ, เน่เคยเป็นเคยเป็นหมูเคยเป็นหมูป่าวางแผนปราบเสือ เสือตายแล้วงั้นเนะี่หมูชนะเสือเนะนี่ยนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสเพียงดั่พระสงค์ก็บอกว่าสมัยไหนพระเจ้าข่านะที่หมูป่าปราบเสือได้เนะี่ยพระองค์ก็เลยเล่าเป็นชาดกให้ฟังนะแต่วันนี้ทางว่าหลวงพ่อพูดเป็นชาดกให้ฟังองนะีกเนี่ยหลวงพ่อคงไม่ได้ชันอาหารเอาไว้เพลงเท่านี้ก่อนนะเอารับพร